พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสันสนีสนทนานะคะในวันพฤหั ส, สบดีและวันศุกร์เราก็จะเป็นการสนทนากัน ร, ระหว่างพระมหาภัยบุญอภิปุโนที่จัดรายการมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วเนี่ยนะคะกับดิชันสรนสนีนาคพงค่ะเพื่อที่จะได้เป็นลักษณะของการถามตอบคําถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําถามที่มีผู้ถามมาท่านถามมา พระอาจารย์ตอบก็ได้อานิสงส์ของบุญแห่งการที่ทําให้เกิดการให้ธรรมะกันที่ถูกต้องจากสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยท่านภัยบุญนี่ก็จะเป็นผู้ที่คล่องแคล่วนะคะกับคําของพระาศาสดาอีกรูปหนึ่งเราไปน้ำมาศการพระมหาภบูบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศด้วยกันเลยคะ่ะกร่าวน้มาศการค่ะเรียนปอนค่ะอุดรฝนตกไหมคะท่านคะก็เริ่มแล้วเริ่มแล้ว ก็เริ่มแล้วกรุงเทพร้ อ, รอนจัดมากทีนี้พอร้อนจัดก็มีฝนตกซึ่งตกมาบ้างก็ดีนะคะอย่างน้อยก็ทำให้อากาศรอบตัวดีขึ้นพื้นแผ่นดินหรือคอนกรีต ท, ที่มันระอุระอุมันก็ค่อยระบายลงไปแล้วอันนี้ทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงได้ทันทีเลยนะจากร้อนๆเดี๋ยวฝนก็ตกฝนตกมากๆเดี๋ยวมันก็หยุดก็เป็นอากาศร้อนสลับไปสลับมาค่นะ <c oughs> ความไม่เที่ยงเนี่เห็นได้เยอะนะคะใช่คืออย่างบางข่าวเนี่ยบางคนก็พูดกับทีฉันบอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาเป็นข่าวซึ่งที่ฉันไม่ได้ดูแล้วนะคะก็จํามาจากป่าที่เขาเล่ามาจอดอยู่ตรงไม้กั้นทางรถไฟจอดแล้วแต่เคราะหร้ายอย่างยิ่งมีรถป้ายแดงขับมาจากไหนก็ไม่รู้ ชนเขาแล้วเขากระเด็นเข้าไปชนถูกรถไฟทับตายค่ะอืมอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ย ก, ก็เลบเออชีวิตมันทําไมเป็นอย่างนี้แต่จริงๆชีวิตมันก็ก็เป็ น, ปนอย่างนี้แหละ <c oughs> ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหะมีความทุกข์แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นผู้พุทธเจ้าจึงได้อธิบายถึงว่าเออเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยเราต้องมีการปฏิบัติสมาธิภาวนา นันเป็นสแท้แท้ี่นสมมุติเห็นกรณีอย่างเนี้ยอย่างที่บอกโอทําไมมันเกิดขึ้นได้เราควรจะทําเช่นไรอสิ่งที่เราควรทําเนี่ยก็คือให้เห็นตามที่เป็นจริงนะให้ทําความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะชอบใจเราหรือไม่ชอบใจก็ตามเป็นเรื่องแบบประหลาดเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องแบบหน้าที่จะต้องไม่ชอบใจก็ให้เห็นให้ทําความเข้าใจ ทำ<ะ>วามเข้าใจในสิ่งนี้เราจะทำวามเข้าใจได้จิตใจนี้จะต้องมีการพัฒนานะพัฒนานี่คือภาวนาแล้วเองค่ ะ, ค, ะคือเหมือนกับสมมติกรณีที่เห็นเนี่ยพอเห็นปุ๊บต้องเข้าใจตามที่เป็นจริงว่าชีวิตไม่แน่ถูกไหมคะใช่จะมีความตายอยู่ได้ทุกขณะเลยเห็นปัจจัยความตายมีมากค่ ะ, คะทีนี้ท่านพูดถึงว่าจึงจะต้องให้มันฝึกถูกไหมคะ ในการภาวนาใช่ในการภาวนาที่ฉันก็อยากจะเสนอความคิดเห็นกับท่านอย่างนี้นะคะว่ารายการเราเนี่ยพูดถึงการภาวนาบ่อยๆ บ, บางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่การภาวนาก็มีความรู้สึกว่าภาวนาในะยากจะต้องไปยังวัดหรือว่าไปสถานที่ที่เขาจัดปฏิบัติแต่เรื่อก็ยืนยันอยู่เสมอว่าที่ไหนก็ภาวนาได้เป็นไปได้ไหมคะก็ต้องต้องมีจิต ในการพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตเพราะฉะนั้นที่ไหนเรามีจิตเราทําได้หมดเลยได้ทุกที่ค่ะเดิฉันก็อยากจะกราบเรียนนิมนต์ท่านให้ช่วยกรุณาให้ธรรมะในแง่ของการภาวนาในเบื้องต้นก่อนที่จะเกิดการสนทนาธรรมต่อไปทุกวันอย่างเนี้ยได้ไหมคะได้ได้ได้ไดนนเรื่องวันนี้เลยนะคะเป็นสิ่งดีด้วยเพราะว่าการที่จะฟังธรรมะได้เนี่ยจิตใจพระพุทธเจ้าบอกว่าจะต้องเป็นเอกคตาคือเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการ ฝึกพัฒนาจิตก็เพื่อให้จิตเป็นหนึ่งและวิธีการเริ่มในการที่จะทําให้จิตเป็นหนึ่งเราจะต้องมีที่ตั้งของจิตซะก่อนนต่ที่ตั้งของจิตที่ให้จิตมันจะแล่นไปให้จิตมันจะตั้งอยู่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคํานี้ที่เรียกว่าสติแต่สติแปลว่าการระลึกได้ไหนเราสังเกตดูที่เราหายใจเครื่องมือที่พระองค์ใช้มากตรัสถึงอั น, นิสงส์อยู่มากอยู่บ่อยตัวจะมาเองก็ใช้ก็คือเรื่องของอาณาปานาสติ ก็คือการให้เรามารู้ถึงลมหายใจเนะี่ยอย่งตั้งแต่เราเริ่มรายการมาจนถึงตอนนี้นะเราเอาให้มารู้อยู่กับลมหายใจการรู้อยู่กับลมหายใจนั้นก็คือให้มาสังเกตนะที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมที่มันผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกและแน่นอนในขณะที่เรากําลังมาสังเกตดูสัมผัสนี้นะอาจจะมีความคิดนึกใดๆต่างๆผ่านมา เอาเราอย่าเอาจิตไปใส่ไว้ที่ตรงนั้นให้เอาจิตของเรามาใส่ไว้อยู่กับลมหายใจบางทีเราอาจจะรับรู้ถึงความคิดนึกต่างๆในการรับรู้นี่มีได้แต่ใจให้เอามาอยู่กับลมการที่ใจมาอยู่กับลมอย่างนี้ทำให้จิตของเราเนี่ยมีการตรีตรึกในเรื่องนี้พระบุจชานะบอกว่าจิตเนี่ยถ้าเรามีการตรีตรึกในเรื่องใดๆมาก จตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคือถ้าเราไปต ร, ตรึกเรื่องของความคิดนั่นนีคนน่คนนู้นคนนั้นคนนี้อากาศบ้านเมืองจิตใจเราก็จะมีอารมณ์ที่เป็นไปนในทางนั้นอะไรที่ติดมามันก็จะไปทางนั้นแต่ถ้าเรามาต ร, ตรึกในเรื่องของลมหายใจให้มากสิ่งที่จะติดมากับลมหายใจคือสติเนี่ยก็จะมีกำลังมากแตการที่สติพังขึ้นได้แล้วจิตเราจะมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วเราจะฟังทำได้ มีความเข้าใจแต่ประนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหรือจากนี้ไปเราจะทําสมาธิต่อไปก็ได้หรือว่าจะมาฟังพูดคุยในเรื่องของธรรมะอันนี้สามารถที่จะตั้งจิตวิยได้อย่างนี้เรนปอนสัสถูกค่ะท่านคะก็เท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้ให้พวกเราทําสมาธิแล้วใช่อันนี้นะะเป็นรูปแบบเลยค่ะเวลาไปปฏิบัติที่วัดก็จะมีการสอนฝึกอย่างนี้เช่นเดียวกันทํานองนี้คล้ายๆกัน ท่านคะทีนี้สำหรับบางคนอาจจะจินตนาการว่าคนที่จะฝึก อ, อย่างนี้ได้ขณะนั้นจะต้องนั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะคะแต่ตนเองขณะที่ฟังรายการวิทยุเช้าๆนี่ยก็กำลังเตรียมตัวที่จะออกจากบ้านไปทำงานยืนบ้างนะคะกำลังตักน้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยหรือบางคนอาจจะยังแง่งแมงนอนอยู่ <laughs> ใช่คะ่ะจะทำสมาธิด้วยเลยได้ไหมคะได้แน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องของใจ เนีทที่ใจนะคะคืออยู่อิริยาบทใดให้ระลึกถึงลมหายใจเข้าไว้ถูกต้องถูกต้องในตำแหน่งที่สัมผัสนึกรู้ลมได้ถ้าความคิดเกิดขึ้นให้เอาจิตเนี่ยไปอยู่กับลมใช่ธรรมชาติของจิตดิฉันฟังที่ท่านพูดถึงพุทธพจน์ใช่ไหมคะบาว่าถ้าตริตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นค่ะอันนี้ท่องไว้เลยนะคะท่ใ่ว่าเป็น ประโยคน์คำเตือนของพระพุธองที่สําคัญมากเมื่อเราได้เอาจิตไปตั้งอยู่กับสิ่งที่ไม่ควรตั้งเราก็จะได้รู้ว่าเรายกจากตรงนั้นเสียไปตั้งอยู่ายใจค่ะจินี้การตรีตรึกกับการที่เราไปรับรู้เนี่ยมันจะคนละอย่างกันมันจะคนละอย่างกันการที่ตรีตรึกเนี่ยหมายถึงว่าเอาใจไปใส่เอาใจไปจ่อ <c oughs> เอาใจไปพยายามจะใคร่ครวนพูดถึงใกล้ครวนอะไรไปตรงนั้นแต่การรับรู้เนี่ยคือเรารับรู้ได้อ่ะโดยที่ไม่ได้เอาใจไปใส่ค่ะความ นานแน่นหรือว่าความเข้มข้น ม, มันจะต่างกันนะค่ะกะ็ธรรมชาติของมนุษย์บางคนถึงได้บอกว่าสับสนแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเข้าใจยากเหลือเกินนะเพราะว่ามันก็รู้อยู่ตลอดเวลาน น, น่เรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วจะทำได้อย่างไรก็ได้คำตบไปแล้วใช่ใช่จำผรรษนะคะท่านคะทีนี้ถ้าเราไม่ไปตรึกในเรื่องใดนานๆเราทาความรู้ อยู่กับลมหายใจทําไป ม, กมากๆเข้าอะไรจะเกิดขึ้นคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสติเหนือสติเนี่ยจะมีกําลังขึ้นมาพอสติมีกําลังขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าบุคคลผู้มีสัมมาสติเนี่ยจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่ยข้อ น, นี้เป็นฐานะที่จะมีได้นะค ะ, <น>ะค่ ะ, คะทีนี้จะเกี่ยวกับคําถามนี้ไหมคะเนี่ยมีคนถามมาว่าทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตสติของท่านช่วยได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นอย่างอื่น ถ้าจะพูดถึงความประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะ<ฆ>แต่ละคนเนี่ยก็จะมีนิยามไม่เหมือนกันนะการจะหมายว่าสำเร็จของคุณเนี่ยคืออะไรแต่ละคนก็จะบอกอืมฉันต้องมีเงินท่านี้ล้านคนนี้ก็จะบอกฉันต้องมีตำแหน่งนี้คนนี้ก็จะบอกต้องฉันมีครอบครัวก็พอแต่คนนี้ก็จะบอกต้องมีทายา ก, กี่คนกี่คนก็ว่าไปความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยนิยามไม่เหมือนกันอ่ะจะให้นิยามอย่างไรก็แล้วแต่แต่นี้คืออาจมาต้องการจะไล่ไปทีละคำก่อนนะคุณโยมติวนะ แล้วเราจะมาทําความเข้าใจว่าไอ้สติหรือคุณธรรมใดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรเอาพูดถึงความสําเร็จของใครก็ตามด้วยนิยามใดๆก็ตามสมมติว่าสําเร็จในกรณีที่หนึ่งสำเร็จกับกรณีที่สองไม่สําเร็จแต่นี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่หนึ่งคนที่สําเร็จตามแบบของเขาหรือกรณีที่สองคนที่แบบผิดหวังไม่สําเร็จตามแบบของเขาเนี่ยคุณยอมหิือคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยที่ว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยเขาควรจะต้องหนึ่ง ผู้รักษาศีลได้เขาควรจะต้องทําอย่างนั้นหรือไม่คุณยมตีว่าอืมันก็แล้วแต่คนคะ่ะบางคนนี่พอไม่สําเร็จขึ้นมานะคะกี่ศีลดีๆอยู่เลยบอกไม่เอาแล้วเป็นคนดีทำแล้วไม่สําเร็จเลิกเป็นคนดีดีกว่าโอเคทีนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะไปกระทําได้ถูกไหมทีนี้สิ่งที่เขาควรกระทําแต่สิ่งที่เขาควรกระทําไม่ว่าจะคุณจะสําเร็จหรือคุณจะไม่สําเร็จเนี่ยสิ่งที่เขาควรกระทําก็คือการรักษาศีลอยู่ดี ดูกไหมเพราะว่าคือเขาคือบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ว่าจะไปฆ่าจะไปรักมันไม่ได้อะเขาออกกฎหมายมาในลักษณะที่ให้คนรักษาศีลหน้าได้และนี่คือการประกอบโดยธรรมเช่นเดียวกันกับเรื่องศีลอื่นๆเนี่ยควรจะทอื่นๆเช่นสมาธิและปัญญาเนี่ยต่อให้เราจะสําเร็จตามแบบของเราหรือไม่สําเร็จตามแบบของเราเนี่ยศีลสมาธิปัญญานี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทําอยู่ดีที่ที่อาจารมากำลังหมายถึงนี่ก็คือว่าถ้าเราจะรอให้ สำเร็จก่อนแล้วถึงจะค่อยมีความสุขตามแบบของเรานะไม่ ว, ว่าจะได้เงินเท่าหลายล้านหรือว่ามีตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณรอให้สำเร็จซะก่อนแล้วถึงค่อยมีความสุขเนี่ย อ, s <S อนุมาว่ามันเสียโอกาสเพราะว่าเราสามารถมีความสุขคือถามว่าคนที่อยากจะมีความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเพราะอะไรแน่นอนมันต้องมีเวทนาต้องมีความสุขต้องการความสุขทุกอย่างเนี่ยมันจะรวมลงที่เวญนาน ะ, นะคะุณยมติวนะค่ะไม่ว่าจะคุณจะทําอะไรคุณจะกินอันนี้หรือคุณจะไม่กินอันนั้นมันอยู่ที่เวทนา ก็ стати, ฉันไม่ชอบกินอันนี้มันไม่อร่อยเอาความอร่อยชอบไม่ชอบนี่คือเวตนานะก็ฉันชอบกินอันนั้นนะมันอร่อยความอร่อยชอบไม่ชอบนี่คือเวทนานะคือสุขเวทนาเพราะฉะนั้นการที <S <S <S ่คุณจะได้อะไรหรือเสียอะไรทําอะไรหรือไม่ทําอะไรมุ่งพุ่งไปทางไหนหรือนี้จะอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของเวตนาเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตคือต้องการสุขเวทนาคือต้องการสิ่งที่แบบว่าฉันจะได้มีความสุขสต็มที่นะค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการได้ความสุขจากการที่ ว, วางเงื่อนไขให้ตัวเองว่าคุณต้องได้สิ่งนั้นมาคุณถึงจะมีความสุขถ้าคุณไม่ได้มาคุณจะมีความทุกข์อันนี้แหละคือกับดักของความอยากคุณยมติยว <คะ S 1> กับดักของความอยากเพราะว่าถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นที่เราตั้งคอนดิชันไว้แล้วนะเช่นเงินเท่านี้ตำแหน่งนี้แล้วฉันถึงจะมีความสุขอันนี้คือความอยากบุกคคลที่มีความอยากนั่นเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์คุณจะมีความทุกข์มากเพราะอะไรหนึ่งเพราะว่าถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้สมมติฉันตั้งเป้าว่า ฉันต้องมีลูกฉันต้องมีครอบครัวฉันจะต้องมีเงินฉันจะต้องได้ตำแหน่งนี้ก็ตอนนี้ยังไม่ได้จูบะมัน<ะ>ไม่สุข น, นะมันทุกข์ก่อนแล้วดอกหนึ่งแล้วถ้าพยายามแล้วไม่ได้ทุกข์อีกดอกสองก็ไม่ได้อะใช่ไหมทีนี้ถ้าเราพยายามแล้วได้นะได้ก็ทําไมคุณถึงต้องไปรอขนาดนั้นก็ในเมื่อคุณสามารถมีความสุขได้เดี๋ยวนี้นี่คือ<ม>ประเด็นคะ่ะนะว่านี่แหละคือกรำลดาของความอยาก ว่าเราอย่ามให้มีความอยากแต่เราให้มีความสุขเดี่ยวนี้ดีกว่าธรรมะจึงบอกให้ <Okay. S 1> นะว่าไอ้ที่ความสุขเดี่ยวนี้มันมีได้เนี่ยโดยไม่ใช่ว่าเราไปใส่ความอยากในเงื่อนไขที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จนี่คือเรื่องสําคัญ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่บริวชีในกามเนี่ยคนที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยคุณควรจะต้องมีความสุขและมีความไม่ร้อนใจประชาราชใช้คํานี้ พรอคนที่ไม่มีความร้อนใจมันจะมีความอิม่มเอิใจความสบายใจอยู่ในภายในซึ่งนี่นจะเป็นเส้นทางที่จะทำให้เกิดความสุขในภายในนะคุณโยมติว๋วความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยมันมีได้เดี่ยวนี้โดยไม่ต้องไปรอเงื่อนไขที่เราวางเอาไว้ตามความอยากที่มันเป็นกับดักขุดลุมให้ตัวเองค่ะโอเคนะเพราะเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่เรากําลังพูดถึงตรงนีนนนะ้คุณธรรมอะไรที่จะทาให้ เราสามารถตั้งอยู่ในความสุขที่มันควรมีควรเป็นได้พระจ้าแบ่งแยกไว้ให้แล้วแบ่งแยกไว้แล้วคือถ้าเรื่องของความอยากอยากได้อย่างนั้นอยากเป็นอันนี้อันนี้คืออยากประสบความสำเร็จอย่างนี้ความอยากเนี่ยคุณให้ละทิ้งเลยอย่าไปเอามันวารไว้อย่าไปเอามันเอาไว้ส่วนในเรื่องบางทีมันก็สําเร็จบางทีมันก็ไม่สําเร็จในสำเร็จนี่คือหมายถึงใส่เครื่อหมายโค้ดด้วยนะแต่ว่าอาจจะสำเร็จแบบที่คุณหวังอ่ะ เงินก็ตามชื่อเสียงก็ตามอ่ะนี่คือสําเร็จแบบที่คุณหวังบางทีมันอาจจะสําเร็จบางที่มันอาจจะไม่สําเร็จไม่ได้ตามนั้ น, นถ้าได้หรือไม่ได้ก็ตามเพราะว่าบางทีกรรมมันให้ผลเป็นความสุขบางทีช่องทางกรรมมันอาจจะยังไม่ได้ผลแต่มันอาจจะได้หรือจะไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามคุณธรรมต่างๆมีเรื่องศีลเรื่องขยันอดทนมีวินยัยเรื่องสมาธิเรื่องความ เมื่อเฟื่อเผือแผ่มีเมตตาพวกนี้เรามีความสุขได้เดี๋ ynn ี้ทันทีได้เดี๋ y ี้ทันทีนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําในคำตามของดัมปุตาตรงนี้ต้องทําอะไรก็คือต้องทําตามมาร์กนั่นเอง <Okay. S 1> สิ่งที่เราต้องทําถึงแม้ว่าเราจะได้สิ่งนั้นมาหรื อ, อยังก็ตามแต่ความอยากอยากให้มีนี่คือต้องสําคัญเลยความอยากที่ว่าจะต้องอยากตรงนั้นอยากตรงนี้อยากให้มันมีมีแล้วมันจะทุกข์คุณทุก <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าคุณยังไม่ได้เนี่ยแต่ให้ตั้งไว้ในมาร์ ทีนี้มันก็จะมีคําถามต่อแล้วว่าเอองั้นฉันไม่ต้องวางแผนในชีวิตหรอค่ะเนอะแล้วฉันแบบว่าฉันจะเรียนอะไรฉันจะไปทํางานที่ไหนฉันไม่ต้องคิดเลยหรืออันนี้มันก็ลายเรื่องกันเพราะว่าอะไรเนะีเพราะว่าในหน้าที่ของความที่จะให้ชีวิตของเราเป็นสุขในปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคาว่าความถึงพร้อมด้วยความขยันนะเพรพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอุทานะสัมปทาอันนี้ท่านผู้ฟังหรือว่าคุณโยมที่อาจจะจําได้ ทำสีประการที่เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบัน <Okay. S 1> นะอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพญะคัะปัะ ช, ชะพูดถึงคารวาสนี่แหละคารวาสที่ยังครองเรือนอยู่เนี่ยยังยินดีทองและเงินยังต้องไปทํางานอยากกินข้าวเย็นอยากไปเที่ยวต่างประเทศเป็นอย่างเนี้ยจะมีความสุขในปัจจุบันได้ยังไงเนี่ยจะมีความสุขในเวลาต่อไปได้ยังไงเนี่ยฉต้องการความสุขทั้งเวลานี้แล้วก็เวลาต่อไปทั้งทางโลกและทา ง, ท ง, ทงดำระพุทธเจ้าตรัสข้อแรกเลยนั่นะคือตรัสไว้เป็น2 ส, ส่วน สอย่างแรกกับ4อย่างที่สองสอย่างแรกเนี่ยเพื่อความสุขในปัจจุบั น, น, นในการครองเรือนของคุณคุณทำอย่งนี้คุณมีความสุขแน่4อย่างที่2เพื่อความสุขในเวลาที่แก่เท่าไปแล้วหรือในเวลาต่อไปเนี่ยถ้ายังครองเรือนอยู่ไอ้บุญหรือช่องทางกรรมที่จะเป็นความสุขมันจออกผลได้สี่อย่างแรกคําแรกเลยที่พูดคือเรื่องของอุดทานสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยความขยันพุทธชาบอกอย่างนี้บอกว่า บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความขยันเนี่ยสามารถจัดให้กระทํานำประกอบด้วยการสอด ส, ส่องในอุบายต่างๆทําเองก็ได้สามารถจัดให้กระทําก็ได้กระทําเองก็ได้สามารถจัดให้กระทําก็ได้เพื่อที่จะให้งานนั้นมันสําเร็จลุล่วงไป <uet. S 1> ตรงนี้นะนี่แหละตรงนี้คือการวางแผนแล้วก็ทั้งงานคุณต้องการวางแผนคุณก็วางแผนสิ <uet. S 1> แต่ถ้า ง, งานคุณจะต้องมีการเตรียมการคุณก็เตรียมการสิเพราะนี่เป็นอุบายสอดส่องในการให้งานนั้นมีความสําเร็จ คำนี้เรียกาอุตนาสัมปทาโอเคน ะ, คะเพราะฉะนั้นในขณะที่คุณทําอุทธานสัมปทาการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะต้องอยู่ในศีลนะฝึกในการที่จะตั้งใจขึ้นให้ได้มีสมาธิมีปัญญาเหล่านี้นะแล้วก็กทําไปตามที่มันคุณจะต้องเป็นถ้าคุณจะต้องเรียนสายพวกหมอวิศวะคุณก็ต้องเรียนวิทยาศาสตร์มาก่อนถ้าคุณต้องการเรียนพวกนิเทศอะไรคุณก็อาจจะเรียนมาทางอีกวิชานึงอย่างเงี้ย ก็ต้องเตรียมการให้ดีอันนี้คือเราจะต้องหนึ่งการถึงรั้มด้วยความขยันต้องขยันอันนี้คืออุทานสำปทา2จะต้องมีการรักษาทรัพย์ที่คุณหาได้มาแต่กรณีของการที่เราทํางานทําการแล้วแล้วข้อที่3ามอนี้จะต้องมีมิตรดีมีเพื่อนดีมิตรดีเพื่อนดีเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่แบบพูดป๋อหลอหรือว่าพูดแล้วเราสบายใจไม่ใช่นะบางทีมิตรดีเนี่ยพูดขัดใจเราก็มี เพนะราะว่าเขาจะพูดเรื่องที่จริงอยนะเช่นเรื่องที่เป็นไปในทางศีลถ้าเราผิดศีลเขาจะเตือนเราบางทีการเตือนก็อาจจะทําให้เราขัดใจเออแต่คนนี้เป็นกัเหรยนนมิตรอย่างเงี้ยค่ะนะคือเขาต้องมีศรัทธามีศีลมีจารค้ามีปัญญาค่ะจารค้านี่หมายถึงการให้การบริจาคในที่นี้หมายถึงเพื่อนที่เป็นบุคคลถูกไหมคะใช่ถูกต้องจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือว่าคนที่อายุมากกว่าเราก็ตามค่ะถ้าเขามีคุณสมบัติสีอย่างนี้ควรที่จะไปมาหาสู่ควรที่จะสอบถามปัญหา หรือว่าเข้าไปคบคาสมาคมด้วยแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีคุณสมบัติสี่อย่างนี้นะคือลบชื่อเขา อ, ออกจากโทรศัพท์คุณไปเลยคือแววบบดีใช่ใช่ใชใชแล้วในข้อที่4ี่เนี่ยต้องรู้จักการเลี้ยงชีพยอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าสามัชีพวิตร์ ค, คือรู้จักการได้มาอย่งโปรัพั์รู้จักความสิ้นไปอย่างโปรขซย์และดํารงตนให้อยู่อย่างสม่ําเสมอไม่ฟุ่มเฟือย น, น, น, นักไม่ฝุยเครื่องนักอ่าก็คือว่ารู้จักกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกอะถ้าเรามีน้อยเราก็ใช้ใจ ให้มันสมควรถ้าเรามีมากเราก็ใช้จ่ายให้มันสมควรคะ่ะนี่คือเรื่องของการใช้จ่ายเงินคะน่ะนี่คือเรื่องแคสต์ฟลู์เลยคะ่ะเราอยู่ในปัจจุบันการทํางานเนี่ยเราจะมีความสุขได้ค่ะจะมีความสุขได้แล้วทีนี้ทําไปทไปําไปเหทํำยังไงเพราะว่าบางทีถ้าอย่างคนที่เล่นหุ้นเนี่ยนะถ้าหุ้นตกมันก็เจ็บทุกคนค่ะเห่นไหมหุ้นตกมันก็เจ็บทุกคนถ้าหุ้นขึ้นต่อให้คุณเล่นไม่ฉลาดยังไงก็ตามคุณก็ยังได้เงินอยู่ดี แม้แล้วหุ้นตกเนี่ยจะทํำยังไงอะนะบางคนก็จะขาดทุนตรงนี้ก็จึงมีวิธีการที่พระพุเจ้าพูดถึงว่าเราจะทํำยังไงให้ช่องทางกรรมดีที่เราทำเนี่ยให้มันออกผลคุณจำตั ว, ว่านะี้เอนะคือความทุกใดความทุกหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเป็นเพราะว่ากรรมที่มันไม่ดีมันให้ผลมาตรงนี้ในะขณะที่กรรมไม่ดีมันให้ผลอยู่เนี่ยซึ่งเรื่องของการให้ผลของกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ประมาณกันได้ยากมาก เป็นเรื่องที่พระบุตรเจ้าบอกว่าอย่าไปตรึกตรึกเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเนื่องาคิดแล้วจะเป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นบ้าเสียเปล่าคือเรื่องที่เป็นอจินไต่เรื่องการให้ผลของกรรมเนี่ยบางทีมันให้ผลต่างวาระต่างเวลาต่างสถานที่ต่างโอกาสเป็นเรื่องที่ไปคิดคํานวณได้ยากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทํายังไงล่ะถ้าเราเคยทํากรรมไม่ดีมาแล้วตอนนี้มันกําลังให้ผลอยู่จะทํายังไงให้มันเบาลงหรือถ้าเราเคยทํากรรมดีมาจะทำยังไงให้มันผลได้ดีขึ้นค่ะ กบฎุเาเคยเปรียบเทียบประบายเหมือนกับเอาเกลือก้อนหนึ่งแล้ เ, เกลือก้อนหนึ่งเนี่ยมันผสมอยู่ในแก้วน้ําแก้วหนึ่งชิมดูมันจะเค็มแต่ถ้าเราเอาเกลือขนาดก้อนเดียวกันไปผสมลงในน้ําเจ้าประยาและความเค็มน่แทบจะหาไม่ได้น้อยมากเกลือเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับกรรมไม่ดีที่เราได้ทํามาซึ่งมันจะให้ผลเป็นรสเค็มรสไม่อร่อยใช่ไหมแต่น้ําน้ำนี่คือความสำคัญน้ำนี่คือกรรมดีที่เราทําในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มตัวคูชเ่นเพิ่มน้ําให้มากๆไม่ว่าเราจะมีเกลือก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ตามเราปลอดภัยแน่เพราะฉะนั้นเราก็พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึง4อย่างนี่ไงคือศรัทธาศีลจาระปัญญาใน4อย่างถัดมาเนี่ยที่จะเป็นช่องทางให้เรามีความสุขในเวลาต่อต่อมาความสุขในเวลาต่อตมาอาจจะเป็นพรุ่งนี้มรืรอืนนี้เดือนหน้าปีหน้า10ปีข้างหน้าหรือว่าช่วงวัยแก่ชราก็ได้ ตอนนี้มันปัญญากรได้ยากนะแต่ว่าให้ทําความดีความดีตรงตรงไหนเอาสี่ข้อ น, นี้แหละคุณมีศรัทในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีศีลมีการให้การบริจาครู้จักแบ่งจทรัพย์ให้ดีแล้วก็มีปัญญาในการที่จะระวางบ้างเดี๋ยวบางทีเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นมันตกเดีนะ๋ลพิษมันมากมันก็อาจจะขึ้นขึ้นลงๆแล้วก็ให้มีความปัญญาในการที่จะให้ไม่ไปยึดถือในสิ่งต่างๆมากช่องทางมันก็จะค่อยมาเองค่ะ อันนี้ก็เท่ากับว่าถ้าให้ตอบในมุมพระพุทธศาสนาก็ใช้คําพระพุทธเจ้าถูกไหมคะก็บางทีเนี่ยปรฟังแล้วปุ๊บที่ถ้าอาจารย์ไพบูลพูดตอนแรกมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยพ อ, อมีความต้องการความสําเร็จสําเร็ จ, รจไม่สําเร็จถ้าอาจารย์บอกว่าให้มีสีมสมาธิปัญญาอันนี้คือสิ่งที่เขาควรทำ <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> เพราะบางคนอาจจะบอกไม่เกี่ยวอะไรกันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมสำเร็จสมมุติว่าตั้งเป้า อย่างกรณีคนถามเห็นบอกว่าเรียนพยาบาลใช่ไหมคะเอ่อเป็นนักเรียนอยู่ค่ะ อ, อ๋อเป็นนักเรียนอยู่เป็นนักเรียนอยู่อ ย, อยู่ในระดับบุดมศึกษาค่ะถ้าตั้งเป้าอยากจะเรียนหมออะใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ท่านเพริปุลได้กล่าวมาเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามีเกี่ยวอะไรเนี่ยก็ไม่สําเร็จแล้วทําไมต้องให้รักษาศีลหรือว่าสําเร็จแล้วทําไมต้องให้รักษาศีลต้องให้ทําสมาธิอีกต่างหาก อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อฟังรวมๆเนี่ยจะได้รู้เลยว่า สมมติว่าไม่สําเร็จชีวิตไม่เสียเปล่ากลับได้กําไรจากการที่ได้ความเป็นปกติใช่ไหมคะใช่ได้ความไม่ร้อนใจอ่ะพูดได้ชัดๆแบบท่านไิบูลแล้วก็มาฟังพระพุทธเจ้าต่อกันแล้วกันว่าอสอนสอนให้ใช้ชีวิตวันนี้อย่างไรดิ้งคิดว่าได้ประโยชน์เยอะนะคะเริ่มใกล้ตัวเข้ามาตอนที่ท่านมาพูดทีหลังเนี่ยนะคะ อ, อืมโอเคคือคืออะไรมาต้องการจะให้เห็นความแตกต่างก่อนแล้วว่า ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตามที่เราหวังอย่างคําว่าสําเร็จเนี่ยนะจริงๆคําว่าสําเร็จเนี่ยเราจะต้องมานิยามกันใหม่เราสำเร็จของใครเอาไม่เป็นอาเอาสำเร็จของคุณสําเร็จของคุณแต่ถ้าคุณฆ่าสัตว์รักษาเพื่อผิดในการคุณเข้าเข้าคุกแน่นอนต่อให้คุณได้สําเร็จตามที่คุณต้องการคุณฆ่าคนคุณก็เข้าคุกแน่นอนค่ะทำไมทําไมต้องเอาตรงนี้มาเป็นเบนช์มาก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปกติของคนคนต่อให้คุณจะได้ตามที่หวังหรือไม่ได้ตามที่หวังยังไงคุณต้องมีเป็นความเป็นปกติตรงนี้ แล้วเราจะไปรอให้เราได้ตามที่หวังแล้วเพื่อจะได้ความสุขหาอะไรมันไม่กลัไงเพราะเราต้องการประสบความสนเร็จเพื่ออะไรเพื่อความสุขไม่ใช่เหรอเออตรงนี้เราต้องมองนะว่าถ้าคุณต้องการมีความสุขแล้วไปสร้างคอนดิชันไปสร้างเงื่อนไขที่มันจะทำให้เราทุกตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่กวรวําต้องฉลาดนิดนึงค่ะแล้วโดวยเอาเรื่องของศีลมาเป็นตัวเทียบเคียงไงค่ะกฎหมายบ้านเมืองนี่แหละ คือถ้าสมมุติว่าท่านศรัทธาในพระพุทธเจ้ายังเข้าใจวา่าเราก็ต้องฟังท่านไปบู์มาหลายวันแล้วเนี่ยท่านจะเน้นมากเลยอะไรก็แล้วแต่ศีลนี่ต้องรักษาไว้ตลอดเวลา no matter what happen ถูกไหมคะใช่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามทีจะต้องอย่าทำผิดศีลศีลเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วศีลแปลว่าปกติค่ะบางคนก็บอกว่าศีลนี่เป็นเรื่องพื้นพื้นนะคะมันต้องทามากกว่านั้น ก็พื้นฐานนี่แหละสำคัญถ้าพื้นฐานไม่สำคัญมันจะไปตั้งเสาตั้งหลังคาไม่ได้ค่ะแล้วดี๋ฉันเชื่อนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าจะรักษาสีเนี่ยจริงๆแล้วบางทีเรารู้กันมาตั้งนานก็สังเกตตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะรู้จักกระทั่งตั้งแต่ยังเป็นเด็กท่องได้หมดเลยไปสอบที่ไหนนี่โอ้โหขึ้นบอร์ดได้ทุนอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะแต่ว่าความเคร่งครัดมาเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจมากขึ้นว่า ดีอย่างไรมันอันตรายอย่างไรกรันก็สาสินไม่ได้ค่ะคนที่เขาลืมเรื่องนี้ไปอย่างที่คุณโยมติว่ามาเพิ่งมานึกได้เนี่ยเพราะว่าไอความอยากมันดึงไปข้างนอกนะคือเราไม่ได้มามองเรื่องศีลที่จะไม่เกิดความไม่ร้อนใจมีความสุขในภายในได้เดี๋ยวนี้แต่กลับไปมองข้างนอกว่าเฮ้ยฉันต้องการสิ่งนั้นฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันอยากเป็นอย่างนู้ด น, นี่มันคือความอยากความอยากได้ความอยากนั้นเลยนะ ไอ้ความอยากเนี่ยทําให้เรามงงมึนไงใช่ครับท่อยู่บนโลกเนี่ยฉันเข้าใจเลยว่าไอ้เรื่องความอยากเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คนปกติมีนะคะไม่ใช่คนผิดปกติเออเอาใหม่คนที่คือคือคนที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์มีแน่นอนทุกคนต่อให้อนาคามีก็ยังมีทีนี้ปกติเนี่ยคนปกติทั่วไปเนี่ยคือคนไม่ปกติก่อนนะคือเขาไม่ได้อยู่ในศีลศีลนี้แปลว่าปกตินะ ค, คนที่ไม่ปกติคือรักษาศีนไม่ได้ความอยากมีไหมมีแต่ ค, คนที่ปกติเนี่ยคือรักษาศีนได้เพราะศีนแปลว่าปกตินะความอยากมีไหมมีทั้งสองคนมีแหละแต่ถูกควบคุมเอาไว้ได้อยู่ในระดับที่จะไม่ให้ผิดศีลค่ะอ่านี่คือสริงที่เราต้องมองแล้วถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องเหนือคนอื่นนการเหนือคนเนี่ยคือคนทั่วไปเขาต้องมีศีนนะ เ อ, เ, อเอาเอาตรงเบนมางนี้ก่อนนะคนทั่วไปคุณต้องมีศีนต้องได้รับการควบคุมกายควบคุมวาจาโอเคทีนี้ถ้าบอกว่าคุณแบบด้อยกว่าเขาไม่สามารถคือผิดปกติอ่ะคือกายวาจาคุณควบคุมไม่ได้อันนี้ต้องอยู่ในคุกบ้างสถานกัรการบ้างโรงพยาบาลบ้าบ้างพวกนี้นะทีนี้ถ้าบอกว่าเราเหนือกว่าคนที่สามารถควบคุมกายควบคุมวาจาได้เราก็คือต้องควบคุมจิตได้ น, นี่คือเหนือคนละเริ่มเหนือขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรที่จะให้เราควบคุมจิตได้ อ่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องของสติสมาธิความเพียรพวกนี้ความอดทนพวกนี้ความมีวินัยพวกนี้จะเริ่มทำให้เราควบคุมจิตได้เราจะเหนือได้ตรงนี้เราจะประสบความสำเร็จให้เรามีความสุขใ น, นเดี๋ยวนี้ได้ค่ะแต่อะไรก็ทําไปนะไม่มีปัญหาในกร น, นี้ค่ะคือศีลจะเป็นเรื่องของการกระทําเรื่องของกายวาจาใช่แล้วพอมาเรื่องจิตต้องขยับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถูก ต, ต้องแต่ว่าทําแล้วคุ้มคือพูดถึงว่าอ่าถ้า ในส่วนที่ท่านบอกเป็นคุณธรรมที่พระพุทธองได้ตรัสว่ารมแล้วจะมีความสุขในปัจจุบันในเรื่องของความขยันในเรื่องการรักษาทรัพย์มีมิตร ด, ดีการเลี้ยงชีพสม่ำเสมอเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็จะพูดกันแนวๆนี้เหมือนกันอืมใช่ค่ะและ้วแล้วการปฏิบัติไปตามทางนี้เนี่ยคือมันการันตีแน่นอนค่ะการันตีแน่นอนว่าอย่างน้อยเรามีความสุขในปัจจุบันค่ะพนะระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับ ชาวนาที่เขาหว่านข้าวรดน้ําแต่เขาจะมาหวังว่ามันจะต้องออกข้าออกรวงวันนี้ผู้นี้จะเกี่ยวแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราทําไปทําไปยังไงมันได้ผลแน่ไม่สักตอนใดก็ตอนหนึ่งอันนี้เราต้องมีความมั่นใจหมายถึงความศรัทธานในคําสอนด้วยนะทําไปทําไปมันก็จะได้ผลเป็นอัตโนมัติได้ค่ะและเดชันกำลังจะบอกว่าคุณธทําอาจจะไปสอดคล้อง กับที่คุณธรรมทั่วๆไปซึ่งเราเคยได้ยินกันหรือว่าวิธีที่จะดำเนินชีวิตไม่ดีบางครั้งเราก็ไม่ได้ให้ดีบางครั้งเราก็ไม่ได้รับการอ้างอิงว่าเป็นของพระศาสดาถูกไหมคะใช่แต่ว่าในเมื่อเราได้รับการยืนยันว่าเป็นของพระศาสดานี่เป็นของดีที่มีมาช้านานนานกว่าการเกิดของพะพุทธองคไมคะออธรรมะนี้จริงๆแล้วก็มีอยู่ตลอดอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นคนพมขึ้นมาแล้วมาประกาศให้ นะคะแต่ว่าเป็นการรับรองโดยพระพุทธองค์<ช>รับรองโดยพระศาสดาว่าดีแน่ศาสดา<ช>การันตีค่ะส่วนที่บอกว่าความสุขในเวลาต่อมาเนี่ยมันจำเป็นต้องทำไหมคะเราก็ทำแค่ความสุขปัจจุบันก็พอแล้วเดี๋ยวน ะ, ะคือทําปัจจุบันนะสีนี้<ช>ต้องรักษาปัจจุบันเพื่อให้อนาคตข้างหน้ามันดีนะคือคาว่าเวลาต่อมาเนี่ยหมายความว่าคุณทำตอนนี้นะ ทำตอนนี้แล้วต่อต่อไปมันจะดีไม่ใช่ไปทําตอนต่อไปนะอย่างศีลศรัทธาปัญญาต้องมีตอนนี้นะเพื่ออะไรเพื่อให้พรุ่งนี้มันรุนนี้สิบปียีสิบปีข้างหน้ามันดีค่ะอ่าอันนี้คือเราต้องทําตอนนี้ค่ะเหมือนกับปลูกต้นไม้การลงทุนถูกต้องถูกต้องค่ะอเราต้องทําวันนี้มันถึงจะค่อยออกผลมันต่อต่อไปศรัทธาศีลการกุศลใช่ให้แล้วก็ปัญญาอืม เป็นความสุขเพื่อนาคตถ้าทำเช่นนี้แล้วผู้ที่ถามเนี่ยก็ลองไปพิสูจน์ดูหรือท่านอื่นก็ลองไปพิสูจน์ดีดูนะคะว่าทำแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่เรียนผานค่ะแต่พูดถึงความประสบความสำเร็จถ้าตามเบ n c h มาร์คคือมาตรฐานของแต่ละคนที่แตกต่างกันเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งเป้าไว้ ถูกไหมคะแต่เราจะไม่เดือดร้อนไม่แต่เราจะมีความสุขแน่ใช่เรา <Okay. S 2> จะไม่ทุกถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าได้ทีเด็ดไปนะคะสำหรับเช้าวันนี้แถมยังได้พ่วงกันกับการได้นั่งสมาธิด้วยก็ต้องนับว่าเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศสำหรับพวกเราทุกๆคนที่จะพึงได้รับวันนี้ก็ได้ประโยชน์กันจริงๆเลยคะ่ะท่านคะดีมาน ค่ะสำหรับคำถามอื่นนี่สงสัยจะต้องติด ไ, ไว้ค<ว>่ะในวันพรุ่งนี้เพราะที่ฉันก็คิดว่าก็มีรายละเอียดดีนะคะแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องนี้เพราะว่าเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาไม่จำเป็นต้องทำอะไรผิดศีลเลย<ช>เขาก็ใช้ชีวิตในลักษณะอย่างเนี้ยค่ะได้เงินมาหาเงินมาด้วยความบริสุทธิ์หาเงินไม่ได้มากเขาก็บริจาคแบ่งปัน แล้วยิ่งบริจาค ก, ก็ดูเหมือนเขายิ่งได้เขาเป็นคนไม่ผิดศีลธรรมก็ประสบความสําเร็จกันเยอะแยะอืมที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามีบางคนนะคะอาจะบอกว่าไอ้คนรวยจริงๆก็เห็นเขาขายพวกอไบายามุกสินค้าไบายามุกอยู่ใช่รวยกันมากมหาศาลเกินอย่าไปเปรียบเทียบกับเขาคน ค, คนร่ํารวยเนี่ยก็จะมีลักษณะความทุกข์ของคนร่ํารวยคนยากจนก็จะมีลักษณะความทุกข์ของคนยากจนซึ่ง ค, ความทุกข์ที่เกิดเนี่ยเพราะความอยากแน่นอน เร า, าตรงนี้ออกไปได้บเบาๆาไปได้มันก็จะดีขึ้นมาค่ะที่ขึ้นกราบเรียนถามท่านได้ไหมค ะ, ะถ้าเกิดคนที่คิดจะตัดสินใจทําการค้าก็เหมือนกับว่าเราก็จะอยู่ในสีในธทำอย่างเงี้ยแต่เราขายเหล้าได้ไหมคะเอ่ออาชีพการค้าขายยาเมาสุราเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นอกติเียะคือหมายความว่าควรหลีกเลี่ยงคืออย่าไปทําถ้าเผื่อว่าทําอยู่ก็คิดว่าจะเลิกเมื่อไหร่ถ้ายังไม่ได้ค้าขายตรงนี้ อย่าไปค้าขายพวกนี้ท่านค ะ, ะทำไมถึงห้ามว่าเป็นอาัการณียะเพราะว่าไม่ดียังไงคะเพราะว่าเร า, เราดูอาชีพการค้าขายเนี่ยมี5อย่างนะั้น1สุรา2อยาพิษ3อาวุธ4สัตว์เป็นนะสัตว์เป็นนะที่ยังไม่ตายและ5เนื้อสัตว์นะี่ก็เนื้อสัตว์ถามว่าไอ้อย่างเนี้ยมันเป็น supply chain ของการที่จะทำบาปอาุจรธรรม คือการฆ่าอเราดูที่เนื้อสัตว์นะืสัตว์เป็นคุณขายไปเนี่ยก็ให้ลงค่าสัตว์ถูกปะแต่ตรงฆ่าเนี่ยเอามีดปาดคอมันแล้วมันตายไปเนี่ยตรงนี้บาปแน่นอนนะผิดศีลนะผิดปกติแล้วพอเป็นเนื้อออกมาคุณเอาเนื้อนะั้นมาขายเนยตรงนี้คือซัพพลายเชนของมันคือเราจะไปอยู่ใกล้สิ่งที่มันบาปอกุชลธรรมเอา<ม>อย่างสุราคนดื่มเหล้าหรืออาวุธคนไปฆ่ากันอย่างเงี้ยก็จะเจอแต่เพื่อนชั่วด้วยเพราะเขาไปทาผิดศีลพวกนี้แต่ว่าถามว่าไอการค้าขายพวกนี้ผิดศีลไหม คำตอบคือไม่ผิดสีนะแต่แบบควรหลีกเลีเล่ยงอย่าไปทํามันควรหลกเลีเ่ยงที่แม่ที่ฉันอยากคุยต่อแต่ดูเวลาแล้วไม่ได้จริงๆนะท่นอาก็โอาไว้ติดวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันคะน<ด>ีค่<ด>คงจะต้องนมสนัสการสัมสีน์สนทนานมัสการท่านนะคะเชิญปานค่ะแล้วก็ดาลาท่านผู้ฟังไปด้วยที่ฉันสัมสีน่าพงเชิญท่านมาพบกันใหม่ในวันพรุ่ง น, นี้ค่ะ